บุกทูสี่สิบสามฟาเด็กตรีที่สวนสัตว์สวนสัตว์อยู่ที่นั่นที่แอสตัสลาเบสตาเรียยีราฟอยู่ตรงนั้น ที่เอสตัสละจราฟอยมีอยู่ที่ไหนทีเอสตัสละอร์ซช้างอยู่ที่ไหนทีเอสตัสละเอเลฟังตยงูอยู่ที่ไหนทีเอสตัสละเซร์เนตยสิงโตอยู่ที่ไหนทีเอสตส ทีออ่ดิฉันมีกล้องถ่ายรูปมิฮดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยที่ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไห น, นลบลสบตเนกเพนกวินอยู่ที่ไหน คือยสียสละพิงเวนนยจิงโจ้อยู่ที่ไหนคือยาเสียสละคังกูรุอยแดอยู่ที่ไหนคือยสียสละรีโนเรยห้องน้ำอยู่ที่ไหนคือยสียสละเนซเซยมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น ที่เอสตัสคาเฟมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นที่เอสตัสรีสอร์ซอูดอยู่ที่ไหนทีเยอเอสตัสลาคาเมลอยกอริล่าและม้าลายอยู่ที่ไหนทีเยเอสตัสลากอริลยไคลและเบอยเสือและจระเข้อยู่ที่ไหน ที่อ s ู a s าศัยสัตว์ทั้งทีกรอยแโค